จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อจะทำให้ชีวิตจิตใจมีความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นสิริมงคลบุญก็แปลว่าความสุขใจเปรียบเป็นเหมือนอาหารใจูุศน์ก็คือความฉลาเปรียบเหมือนแสงสว่างนําทางคนเราเดินทางก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีแสงสว่างนําทาง และมีสะเสบียง ม, มีอาหารไว้คอยรับประทานเพราะถ้าไม่มีอาหารเดินทางไปไม่นานก็จะหมดแรงต้องหยุดพักเติมอาหารก่อนถ้ามีแต่อาหารไม่มีแสงสว่างนำทางเดินทางไปเดี๋ยวก็หลงทางเพราะมองไม่เห็นทางอย่างเวลาเรา เดินทางในเวลาค่ำคืนถ้ารถยนต์เราเกิดไฟเสียขึ้นมาเราก็ไม่สามารถขับรถไปบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยได้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพดังนั้นเราจึงต้องมีทั้งบุญมีทั้งกุศลบุญก็คือการทำความดีต่างๆอย่างที่เรามาทำกันในวันนี้ เรามาเสียสละมาแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นเรามีมากเกินไปเราก็ไม่ควรเก็บเอาไว้เพราะไม่เกิดประโยชน์กับเราของต่างๆเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินเกินใช้เกินรับประทานเก็บไว้ไม่เป็นประโยชน์อะไร นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นโทษแก่จิตใจเพราะทำให้ใจเกิดความตหนีเกิดความหวงเวลาที่จะต้องจากกันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจพวกเราทุกคนย่อมรู้ว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่ไม่ถาวรมีอายุได้ไม่เกิน8ป9 0ปี ก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราจากด้วยใจที่ไม่ยึดไม่ติดไม่หวงเราก็จากอย่างสบายจากอย่างมีความสุขถ้าเรามีความยึดมีความติดมีความรักมีความหวงมีความตณีเวลาเราต้องจากสิ่งต่างๆไปเราจะไปด้วยความทุกข์ทรมานใจ ดังนั้นเราจึงต้องมาเตรียมตัวจากสิ่งต่างๆไปด้วยการเอาสิ่งต่างๆที่เรามีเกินไปมีมากเกินไปเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ <S <S <S <S เวลาที่เราเอามาให้ด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีด้วยความพอใจแทนที่เราจะเสียใจแทนที่เราจะทุกข์ใจ เรากลับมีความสุขใจพราะเราได้เห็นของของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่นอาหารขา่าวหวานของญาติโยมที่นำเมามาแบ่งปันให้กับพระภิกษุสา ม, มเณรและผู้ที่มาร่วมทำบุญด้วยกันให้ได้รับประโยชน์ได้รับประทานพอเขามีความสุขเราก็เกิดความสุขขึ้นมา นี่แหละคือการให้สเสบียงให้อาหารกับจิตใจของเราก็คือความสุขใจเวลาเราทำอะไรให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความอิ่มเ อ, อิใจเราจะมีกําลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในที่สุดเราจะต้องสูญเสียทุกอย่างไปของเราหามาได้มากน้อยเพียงไรบุคคลที่เราได้รู้จักมักคุ้นได้อยู่ร่วมกันสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องจากกันไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจด้วยการฝึกใจไม่ให้หวงไม่ให้ยึดไม่ให้ติดให้ยินดี ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปแม้แต่บุคคลที่เราอยู่ร่วมกันถ้าเขาอยากจะจากเราไปก็ให้เขาไปเพราะถ้าเรายินดีให้เขาไปเราจะมีความสุขถ้าเราหวงเราไม่ยินดีเราจะมีความทุกข์แมื่ไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไป เพรานี้คือเรื่องของโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกของการพัดพรากจากกันไม่ใช่โลกของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนี้เป็นเพียงชั่วคราวแต่สิ่งที่ถาวรที่แน่นอนก็คือการพัดพรากจากกันทุกวันนี้คนเราทุ ก, กันเพราะไม่ยอมพัดพรากจากกันเพราะอยากจะอยู่ร่วมกันไปนา น, าน ทั้งๆ ท, ที่ความจริงมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้มาแล้วก็ต้องไปกันมีอะไรก็ต้องสูญเสียกันดังนั้นถ้าเราอยากจะไปด้วยความสุขใจอิ่มใจไม่ได้ไปด้วยความทุกข์ใจร้อนใจไม่ได้ไปด้วยความหิวความอยากเราก็ต้องมาหัดพัดพากจากสิ่งต่างๆไป ก่อนที่เราจะต้องถูกบังคับให้พัดพลาด เ, เวลาถูกบังคับถ้าเราไม่พร้อมเราจะไปอย่างทรมานเราจะไปอย่างขอทานเราจะไม่มีความอิ่มใจสุขใจไปเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากไปกับเราเแต่ถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆแบ่งปันอยู่เรื่อยๆเสียสละประโยชน์สุขของเรา อยู่เรื่อยๆใจของเรานีจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราจะต้องจากอะไรไปเราไม่เดือดร้อนเรากลับยินดีว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ที่เหลืออยู่นี้ใครอยู่ต่อไปเขาก็จะได้รับประโยชน์จากเรานี่คือการสร้างความอิ่มใจ ใกับเราด้วยการทําความดีด้วยการทาํา ท, ทานแบ่งปันด้วยการเสียสล ะ, ะเสียสละได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นและเสียสละสิ่งที่เรารับยิ่งจะได้ความสุขมากถ้าเราเสียสละสิ่งที่เราไม่รับเราจะไม่ได้รับความสุขมากเช่นเวลาเราเอาขยะไปทิ้ง เราจะไม่รู้สึกมีความสุขใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราสละคนที่เรารักไปเช่นลูกเราเขาต้องออกจากบ้านไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาของเขาถ้าเรายินดีให้เขาไปเราก็จะมีความสุขใจถ้าเราไม่ยินดีไม่อยากให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอด เวลาเขาต้องไปอยู่กับสามีกับภรรยาของคนอื่นเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจเช่นเดียวกับคนที่เรารักเช่นคู่ครองของเราแฟนของเราถ้าเขาจะต้องไปจากเราถ้าเรายินดีเราก็จะไม่ทุกข์เราจะมีความสุขถ้าเราคิดว่าการไปของเขาทำให้เขามีความสุข ถ้าเรารักเขาจริงเราก็ต้องให้เขามีความสุขสิ่งใดที่เขาทําแล้วทําให้เขามีความสุขเราก็ยินดีไปกับเขาแล้วเราจะไม่ต้องทุกกับเขาเขาอยู่เขาจะทําอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นโทษกับตัวเขาเองแต่ถ้าเขาคิดว่าเป็นความสุขของเขาก็ปล่อยเขาทําไป เช่นเขาคิดว่าการดื่มสุรายามเมาเป็นความสุขเราก็ปล่อยเขาเดื่มไปเป็นเรื่องของเขาเมื่อเราไม่ไปห้ามเขาไปว่าเขาเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราไม่เบื่อเราเขาก็อยากจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลาเขาทำอะไรแล้วเราคอยไปห้ามเขาคอยไปว่าเข า, เขาก็จะเบื่อเราจะเกลียดเรา แล้วเขาก็จะไม่อยู่กับเราดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราเราต้องรู้จักวิธีรักษาน้ำใจของเขาเราต้องให้เขารักเราชอบเราไม่ใช่ให้เขากดเราเกลียดเราวิธีที่จะทำให้เขาไม่โกรธไม่เกลียดเราก็คือต้องเอาใจเขาอย่าเอาใจเราการเอาใจเขาก็เป็นการทําทานอีกแบบ เป็นการให้แบบหนึ่งให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบทำในสิ่งที่เขามีความสุขเหตุที่เราไม่อยากให้เขาทำเพราะว่าเราหวงเขาเราไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปเช่นเห็นเขาดื่มสุราก็กลัวเดี๋ยวดื่มสุราแล้วไปขับรถชนคนตายหรือรถไปพลิกคว่มตาย หรือดื่มสุราแล้วเมาก็ไปทะเลาะวิวาทกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ทำให้เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือการสูญเสียชีวิตไปเราลักเขาเราหวงเขาเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราจึงไม่อยากให้เขาเดื่มสุราพอเราไปบอกเขาไปว่าเขาไปห้าม เ, เขาก็ไม่พอใจ เขาก็โกรธเพราะเวลาถ้าอยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำนี้ไม่ว่าเป็นใครทั้งนั้นก็จะไม่พอใจถ้าใครเขามาห้ามไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะต้องรู้สึกโกรธเกลียดเขาแล้วต่อไปก็จะอยู่ด้วยกันไม่อยากไม่มีความสุขเพราะต่างฝ่ายต่างก็จะจองเวรจองกรรมกัน เขาห้ามเราเขาหน้าเราก็ต้องห้ามเขาต่างฝ่ายต่างห้ามกันต่างฝ่ายทำอะไรไม่ได้เลยในที่สุดเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้คนสองคนที่รักกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรักแบบเห็นแก่ตัวรักแบบที่จะครอบครองเขาไว้เป็นสมบัติให้เขาเป็นของเราไปนา น, า น, าน ทำให้เขาไม่มีอิสระภาพทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อก่อนที่เขาไม่ได้มาอยู่กับเราเขาทำอะไรได้อย่างสบายพอเขามาอยู่กับเราแล้วกลับกลายเป็นนักโทษแล้วเขาอยากจะอยู่กับเราหรือถ้าเขาต้องอยู่แบบเป็นนักโทษแต่ถ้าเร า, เาปล่อยถ้าเราปล่อยให้เขามีอิสระภาพเหมือนกับสมัย ที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาอยากจะไปไหนก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเราก็จะไม่มีปัญหากับเขาแล้วเราก็จะอยู่กันได้นานเพราะเขาจะไม่เกลียดเราเขาจะไม่เบื่อเราเพราะว่าคนเราเป็นปกติเมื่ออยู่ร่วมกันานานๆก็อยากจะออกไปเปลี่ยนรสชาติบ้าง เคยกินข้าวผัดทุกวันมันก็เบื่อก็อยากจะไปกินข้าวต้มบ้างอยากจะเป็นกินขนมจีนบ้างเปลี่ยนรสชาติบ้างอยู่กับเราทําอะไรเก่าเราไปนานๆก็เบื่อก็อยากจะไปทํากับเพื่อนฝูงบ้างเขาก็มีเพื่อนมีฝูงมีสังคมของเขาบางทีเพื่อนฝูงก็มาชวนไปก็ไปไม่ได้เพราะแฟนไม่ให้ไป อย่างนี้มันก็เลยทำให้อยู่ร่วมกันแบบขมขืนขหวานอมขมกลืนหวานเพียงใหม่ๆในช่วงแรกๆในช่วงที่อยากจะอยู่ร่วมกันอยากจะเห็นหน้ากันตลอดเวลาแต่พออยู่ร่วมกันไปเห็นหน้าเห็นตากันไปทุกวันเดี๋ยวมันก็เบื่อเองต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์ต่อให้เป็นนางงามจักรวาล อยู่กันไปเห็นหน้ากันไปทุกวันเดี๋ยวมันก็เบื่อเองเพราะว่าความจำเจมันเกิดขึ้นจิตใจของคนเราไม่ชอบความจำเจชอบมีความหลากหลายนี่แหละที่ทำให้คนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเอาใจของตนเองไม่เอาใจของคนที่เราอยู่ร่วมกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกัน ไม่ใช่จะเอาแต่ใจของเราเพียงฝ่ายเดียวถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีคนเขาชอบเขารักเราถ้าเราเอาแต่ได้จะไม่มีใครเขาชอบเราเราอยู่กับคนที่เขาอยากจะเอาใจเขาอย่างเดียวเราจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่าเช่นเดียวกันคนอื่นเขาจะอยู่กับเราได้อย่างไร ถ้าเราเอาแต่จะเอาใจของเราเพียงอย่างเดียวเราต้องรู้จักเอาใจผู้อื่นด้วยอย่าเอาใจของเราเป็นหลักถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกันถ้าเราอยากจะเอาใจของเราเป็นหลักไม่เอาใจคนอื่นก็ต้องหัดอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวแล้วเราก็ทำเอาใจของเราได้ร้อยเปอร์็นต์ไม่ต้องแบ่งใจให้กับคนอื่น แต่ถ้าเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องแบ่งกัน 50-50 ห 50. าเขาไปห0สเราเอาของเขามาห0อย่างนี้ก็จะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะเอาใจคนอื่นเราอยากจะเอาใจของเราเราก็ต้องหัดอยู่คนเดียวถ้าอยากจะอยู่คนเดียวก็ต้องรู้จักทำใจรู้จักหักห้านใจ รู้จักหักห้ามความอยากเพราะความอยากนี้ทำให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวเราอยากจะมีเพื่อนแต่เราลืมไปว่าเวลามีเพื่อนนี้ก็มีได้แล้วมีเสียไม่ใช่ได้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะได้อย่างเดียวเราได้มาแล้วเราก็ต้องเสียไป ด้วยเช่นเราไปซื้อของเราได้ของมาเราก็ต้องเสียเงินไปถ้าเราจะเอาแต่ของไม่เสียเงินเขาก็ไม่ให้ของเราฉันใดถ้าเราอยากจะได้ความสุขจากผู้อื่นเราก็ต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ความสุขจากเขาเพียงถ่ายเดียวถ้าเอาจากเขาเพียงถ่ายเดียวแล้วเขาจะมาอยู่กับเราทำไม ที่เขามาอยู่กับเราเพราะเขาก็อยากจะได้ความสุขจากเราเราอยู่ก um> ับเขาเราก็อยากจะได้ความสุขจากเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราก็ต้องมีจาคะมีความเสียสละเราต้องแบ่งความสุขของเราให้กับเขาแล้วเขาแบ่งความสุขให้กับเราถึงจะอยู่ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าจะอยู่ร่วมกันจะต้องมีการให้ไม่ใช่มีแต่การรับเพียงอย่างเดียวนอกจากอยู่ด้วยกันมีการให้มีการรับแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันคนอยู่ร่วมกันนี้อยู่ด้วยพื้นเพ ข, ของความเชื่อใจกันไว้ใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกัน ดังนั้นเวลาอยู่ร่วมกันจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันไม่ใช่แอกไปมีความสุขที่อื่นเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าต้องหาความสุขจากกนและกันเท่านั้นถ้าจะไปหาความสุขจากที่อื่นก็ต้องบอกให้คู่ครองของเรารู้ก่อนเช่นอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ต้องบอกให้เขารู้ก่อน หรืออยากจะไปแอมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ต้องขออนุญาตบ้านใหญ่ก่อนถ้าบ้านใหญ่อนุญาตก็ไปได้ถ้าบ้านใหญ่ไม่อนุญาตก็ไปไม่ได้นี่เราต้องมีความจริงใจต่อกันถ้าเรารักกันจริงถ้าเราไม่รักกันจริงมาอยู่ด้วยกันทําไมก็แสดงว่าหลอกลวงกันรักกันไม่จริงรักกันชั่วประเดี๋ยวประดาวนอฟข้าว เ่ายัางไม่ทันดำก็ไม่รักกันเสียแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันดังนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตคู่มีอยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะมีชีวิตคู่แบบมีความสุขเราต้องมีความมั่นใจว่าเราจะรักเขาได้ไปตลอดไม่ใช่รักแต่เฉพาะต้นพอก็ไปกลการก็เบื่อแล้ว แต่งานกันได้ไม่กี่เดือนก็เบื่อกันแล้วถ้าอย่างนี้อย่ากไปแต่งกันให้เสียเวลาดีกว่าทำให้เกิดความเสียหายหทางด้านจิตใจทำให้กลายเป็นคู่เวรคู่กรรมกันไปดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการอยู่ร่วมกับผู้โดยเฉพาะคู่ครองของเราเราต้องมีความมั่นใจว่าเรามีความซื่อสัตย์ เรามีความจริงใจต่อคู่ครองของเราเราจะรักเขาไปจนวันตายนี่คือสิ่งที่เขามักจะพูดกันเวลาแต่งงานกันขอให้อยู่กันไปจนถึงไม่เท่ายอดทองอตะบองยอดเพชรขอให้อยู่รักกันไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ ถ้าเอาจากสุขอย่างเดียวก็อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าจะอยู่สองคนมันจะต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาเพราะอยู่สองคนมันก็เหมือนลิ้นกับฟันบางครั้งบางโอกาสก็เผลอขบกันได้เราเคยกัดลิ้นของเราบ้างไหมฟันของเราเคยกัดลิ้นของเราบ้างไหมทั้งๆที่อยู่ด้วยกันต้องอาศัยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ามีลิ้นไม่มีฟันก็กินอาหารไม่ได้ ถ้ามีฟันไม่มีลิ้นก็ไม่รู้ว่าเคี้ยวอะไรอาหารเป็นอะไรลิ้นกับฟันยังต้องอาศัยกันฉันใดคู่ครองก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขด้วยความด้วยอยู่กันไปไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน แล้วก็ต้องมีการรู้จักอดกัน้นเพราะเวลาอยู่ร่วมกันบางทีเราก็มีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้หรือจะเกิดจากคู่คร อ, องของเราเองเราต้องอดกัน้นอย่าปล่อยอารมณ์ไม่ดีออกมาเวลาเจอคู่ครองนี้หัดจเจริญเมตตามากๆคิดถึงความดีของเขาคิดถึงวันที่เราพบแรกพบเขา คิดถึงตอนที่เราไปจีบเขาแล้วเราจะได้ยิ้มให้เขาได้เวลาเจอหน้าเขาไม่ใช่บึ่อตึงต่อกันมีอารมณ์ไม่ดีอย่างไรก็อย่าระบายออกมาให้อดอดกั้นเอาไว้ถ้าเราไม่อดกั้นมีอารมณ์อะไรเราก็ระบายออกมาคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเนต้องมารับอารมณ์กับเราเขาก็จะทนไม่ได้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไร เพียงแต่ว่าอยู่ใกล้กันก็เลยต้องเป็นกระถงรองรับอารมณ์ต่างๆนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่รู้จักข่มใจไม่รู้จักหักห้ามจิตใจไม่ให้พูดไม่ให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดีเวลาใจคิดไม่ดีให้รู้จักข่มใจวิธีข่มใจก็คือให้เจริญสติมากๆ ให้มีพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอารมณ์นี้ก็เป็นเหมือนเมฆมีเมฆหมอกมันมาแล้วเดียวมันก็ผ่านไปเป็นเรื่องปกติของจิตใจที่จะต้องมีอารมณ์ดีบ้างไม่มีอารมณ์อารมณ์ไม่ดีบ้าง เวลามีอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไประบายให้กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้อิเหนาเองเขาจะต้องเดือดร้อนไปกับอารมณ์ไม่ดีของเราแล้วก็จะทำให้เขาเบื่อเราได้ทำให้เขาไม่อยากจะอยู่ใกล้เราเนี่ยเราจะสูญเสียคนที่เรารักไปถ้าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของเราพระุทจายึงสอนให้หัดเจริญสติฝึกทาใจให้สงบ ควบคุมอารมณ์เวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ให้พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราอารมณ์ไม่ดีหรือถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็คิดใช้ปัญญาปรงมันไปเรื่องราวต่างๆก็คิดไปว่ามันไม่เที่ยงยงเดี๋ยวมันก็จบมีปัญหาอะไรเดี๋ยวปัญหามันก็จบไปเองแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เดียวตายไปมันก็จบเองคิดอย่างนี้ปรองอย่างนี้แล้วเราก็จะทําให้อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆหายไปได้ทําให้เรากลับมามีอารมณ์เป็นปกติได้เราต้องมีความอดกัน้นแล้วอีกประการหนึ่งถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดเราก็ต้องมีความอดทนชีวิตของเราเป็นเหมือนการต่อสู้ เรามีอุปสัรคมีปัญหาต่างๆหลากหลายปัญหาทางด้านการเงินการทองปัญหาทางด้านร่างกายปัญหาทางด้านบุคคลมีอะไรต่างๆมากมายที่เราต้องมีความอดทนยพยายามเผชิญมันไปแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแต่อย่าไปท้อแท้อย่าไปเบื่อหน่าย ขอให้คิดว่าปัญหาต่างๆนี้เป็นเหมือนข้อสอบของเราถ้าเราทําข้อสอบได้เราจะเป็นคนที่เก่งจะมีความแก่งมีความสามารถต่อไปไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาเพราะเรามีความชานาญในเรื่องของการแก้ปัญหาปัญหาต่างๆนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากอะไร เกิดจากความอยากของเรานี่ เ, เป็นต้นเหตุพอเราอยากได้อะไรอยากทาอะไรพอเราไม่ได้ทำเราก็เกิดความไม่สบายใจไม่พอใจขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาว่าในเมื่อเราไม่มีความสามารถพอที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้เราก็หยุดความอยากเสียปัญหามันก็หมกไป เราก็อยู่ก็ไปตามมีตามเกิดไปอยากได้นั่นอยากได้นี่ในเมื่อไม่มีปัญญาที่จะหามาได้มีอปุปสรรคหลายอย่างขวางกั้นอยู่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เปลี่ยนใจไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้ตอนนี้เราก็อยู่ได้ทำไมต้องไปอยากมันด้วยได้มันมาก็ไม่ได้ว่าทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นแต่อย่างใดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้อย่างใหม่ โผล่ขึ้นมาอีกสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราไม่เห็นมีอะไรเราทำไมอยู่ได้มีข้าวกินมีที่นอนมีของเล่นเราก็มีความสุขแล้วทำไมพอเราโตขึ้นมาถึงอยากจะได้อะไรกันมากมายเนะี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่กันขึ้นมาพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็วุ่นวายใจเดือดร้อนใจหงุดหงิดลาคาญใจ แล้วก็มาระบายกับคนใกล้ตัวเราดังนั้นขอให้เราใช้ความอดทนอดกั้นใช้ความซื่อสัตย์ใช้ความเสียสละในการดำรงชีวิตของเราอยู่กับผู้อื่นเพราะถ้าเรามีคุณธรรม ท, ทั้ง4ี่ประการนี้แล้วเราจะอยู่กับใครก็ได้จะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใคร ไม่ต้องการให้เราอยู่กับเขาคือเราต้องมีจาระการเสียสละมีความซื่อสัตย์มีสัจจะความซื่อสัตย์มีขันติความอดทนและมีธรมะความอดกลั้นนี่คือคุณสมบัติสีประการคุณธรรมสีประการที่จะทําให้เราเป็นคนดีเป็นคนที่มีคน ชื่นชอบยินดีไม่รังเกียจอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีเพื่อนมากจะไม่มีศัต ร, รูจะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายเรามาทำลายเราเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญเพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจอยู่ที่การมีคุณธรรมความดีที่เรียกว่าบุญกุศลนี่เอง ก็คือคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้พอให้พยายามฝึกจเจริญให้มากมากแล้วชีวิตจะมีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุดมีแต่ความเป็นสิริมงคลการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไตรยัยและบุญกุศล ที่ทำได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้ข้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ